การฝึกความรู้สึกตัว <c oughs> การเจริญสติเป็นหน้าที่โดยตรงของนายวธธรรมเราฝึกกรรมาฐานฐานกายไปเห็นเวนาแล้วก็จิตให้ชัดก่อนอาการความคิดที่มันเกิดขึ้นมาในจิตในใจสัมผัสรู้คิดรูนะ้ประเด็นอยู่ตรงนี้ ถ้าสัมผัสรู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาพัฒนาไปเห็นเวนาอาการสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาตนี้มันจะแยกภพภูมิต่างๆสุขสุขทุกข์ทุกเนี่ยทุกข์ก็คือใบมิลยุงทีก็คือการสร้างบารมี มันมันมาตัวให้เราได้ผ่านให้เราได้ใช้เดี่ยวขึ้นที่สูงอันมานไม่มีบานมีไม่เกิดมานอะไรบ้างอารมณ์อาการต่างๆความโลภความโกรธความหลงความคิดหรือแม้กระทั่งรูปธรรมร่างกายของเราตั้งว่หัวเจาะหลดเท้า เป็นเวนเป็นกรรมเป็นลนักษณะของก้อนทุก์ที่มันแสดงออกถึงเจ้ากรรมในเวรของเราร่างกายของเราเนี่ยนะเราความดีศีลสารสิ่งเราพืชพันธัญาหานเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของกายก็ต้องเคลื่อนไหวเพื่อทําความดีหรือเคลื่อนไหวเพื่อที่จะ ฝึกจิตให้บริสุทธิ์เรียกว่าชีวิตปรมจันทร์ร่างกายก็จ ะ, ะกลายเป็ น, นอุปกรณ์หรือ ว, ว่าเครื่องมือให้เราได้ใช้ทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เกิดประโยชน์นสร้างคุณค่าทำให้โลกนี้เกิด อะไรอีกมากมายแล้วกินที่เรียกกันว่าสันติสุขสันธิภาพมันไม่ใช่แค่ร่างกายหรือว่าจิตใจของเราเฉยๆแต่ว่ามันพัฒนาไปด้วยตัวของมันเองเรียกว่าคุณธรรมที่มันจะเป็นลัณนะของกรรมวุณาวตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมจำแนกสัตว์จำแนกกลุ่ม พอจะเกิดขึ้นมาจะต้อมีภาษาเรียกคนทำดีมากๆโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ที่เตรียมจะเป็นโพธิผู้ที่บรรลุธรรมโพธิสัตว์ก็ทำดีสร้างบา ร, รมีใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจนีมันก็จะเห็นพบเห็นภูมิที่วันพูดถึงอะไรเป็นอบายภูมิอะไรเป็นเทวภู ม, มิอะไรเป็นพรหมอะไรเป็นพระ มันจะแยกตรงนี้อะไรที่เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านสมัยโบราณเรียกว่าผีเป็นคนสะดุงหวาดผวากลัวความมืดลักษณะนี้มันก็จะเป็นเรื่องของคนที่กำลังเดินทางแต่ถ้าคนที่กลัวความสว่างกลัวพระก็ผีนั่นะเราเห็นกลัวปฏิบัติมันก็ใช่อีกเหมือนกัน กลัวที่จะไปบาดกลัวความรู้สึกตัวไม่มั่นใจในความรู้สึกตัวเพราะนั้นก็จะแบ่งมันพบปมต่างๆมากมายเกิดขึ้นมาขณะปฏิบัติเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกมันจะมีแสงสว่างน้อยๆเกิดขึ้นมาภายในก็คือความเป็นปกติที่มารู้ตื่นเบิกบานเหมือนกับสว่างภไยในตัวเราเกิดความขยันตนตื่น มันไม่มัวตั ว, วมันไม่งัวงเงียมไม่งอกง่วงมันจะเห็นผ่านความรู้สึกตัวรู้แล้วก็กลายเป็นเรื่องของรู้สึกที่กายรู้สึกที่เวทนารู้สึกที่จิตรู้สึกที่ทำเกิดอะไรขึ้นขณะต่อขณะที่กายที่ใจเป็นอาการทั้งหมดเป็นการสัมผัสรู้สัมผัสรู้ตรงนี้ เราฝึก็เราได้เห็นจิตใจก็เราที่มันหดหูหรือว่ากระเฮียนกระหือหรือหรือว่าหือนอาการหืนเกิดขึ้นมาอาการเหงาอาการว้าเวอาการขี้น้อยใจอาการขี้เบื่อมันเกิดขึ้นมาเป็นงานการก็เราจึยิงนักกรรมฐ า, า น, นกลับมาหาความรู้สึกตัวก็เป็นปกติอารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ต่ํานำ อรมที่มันดูดเป็นกับตักนะหรือว่าเรียกว่าทิศทางก็ว่าใได้ของนักกรรมฐานเวลาไปายลบนะายทุกเราก็เห็นมันเวลาไปายสุขเป็นเวาแล้วมีความสุขมีความสงบเราก็เห็นมันเวลามันปกติมันโล่งๆโปร่งๆเบาเรียกว่ากาย ร, าาตตารู้ตาจิตตารู้ต า, ากายลูตาเบากายจิตตาราูตาเบาจิต เราปฏิบัติเราก็เห็นมันเห็นมันยังกระทั่งเหมือนกับว่าชํานาญชนานาญในการรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกกายกับลมก็ผ่อนกลายก็กกยนะกว่าผ่อนคลายนี่นคือผ่อนกลายจากอาการเค๊กเกงเพียงจ้องหรือว่าเผลอจะลืมเนื้อลื ม, ลมตัวมันจะผ่อนกลายนะเกิดความพอดีขึ้นมานะเป็นลักษณะของรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็รื่นเริง โงปรงเบาวางเกิดการวางไม่ยึดในทางตาทางหูจมูกลิ้นไม่ยึดสนใจเอาไปนอกตัวมันจะเรียนรู้แล้วก็อยู่กับตัวสัมผัสตัวสัมผัสความรู้สึกที่ตัวตัวเนื้อตัวกายแล้วก็ตัวจิตตัวใจที่มันอยู่ด้วยกันนะั่นะเป็นตำแหน่งเดียวกันในแง่ของสภาวะของผู้ดู ดูแล้วก็เป็นปกติตำแห่งเดียวเป็นละนะของอาการต่างๆที่มันจรไปจอรมาเราได้เห็นแล้วว่าอ๋ออาการนี้เราห้ามไม่ได้อาการของไกายนะห้ามไม่ได้เปิดหัวตัวร้อนเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวหายมันห้ามไม่ได้จริงๆแต่ว่าจิตใจของเรานี่ละได้ ท, ทันทีทุกครั้งที่มันเกิดความคิดขึ้นมา อันนี้เราก็ไม่ได้ห้ามมีเหมือนกันความคิดโดยเฉพาะการเห็นความคิดคือเราไม่ได้ห้ามความคิดนะแล้วแต่ก็จะเป็นไปคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าสติที่มันมีมันจะรู้ของมันเองว่าความคิดนะมันมีน้ําหนักคิดแล้วมันก็หนักหัวนะมันก็เป็นความรู้สึกหนักๆแต่พอมันเป็นความรู้สึกที่เป็นปกติมันก็หลุดทันทีอย่างนี้นะเราก็ได้ หลักของการปฏิบัติได้วิธีการปฏิบัติมันไม่หมายถึงว่าทําแล้วจะไม่ได้อะไระการเดยธรรมาทำแล้วจะไม่ได้อะไรมันไม่ใช่อันดับแรกคือมันรู้มันรู้อยู่มันรู้ทุกการเคลื่อนไหวของกายนี่เป็นทุกข์กับวิปตานี่เป็นทุกข์หายใจนี่เป็นทุกข์มันรู้อยู่แต่ยังไม่รู้เหตุแห่งทุกข์นะคืออะไรแล้วมันยังไม่รู้ อ, อะ การที่ไม่เข้าไปยึดแหนะการเหล่าเนี้คืออะไรคือปัญญายังไม่งอกปัญญาจะยังไม่เกิดขึ้นมาให้เราได้คําตอบเรื่องความคิดเน่ยรู้ว่ามันคิดอยู่ยิ่งทํายิ่งคิดแต่ไม่รู้ว่าทําไมมันต้องคิดนมันไม่รู้สึกความรู้สึกยังไม่ชัดนแล้วก็หลงไปในความคิดอย่างนี้มันก็เห็นแล้วว่าทุกขอยู่มีสติอยู่แต่ว่าปัญญายังไม่แตกฉาน ยังไม่สามารถที่จะเห็นอาการดับไปของความคิดยังไม่เหนอาการที่กายมันเคลื่อนไหวและใจมันรู้หรืองสติปัฏฐานมันเด่นขึ้นมาก็คือปัญญามันยังเห็นไม่ครบก็เรียกว่ามันยังไม่รอบข้อบมันมีสติรู้รู้ปัจจุบันแต่ยังไม่มีปัญญาเห็นปัจจุบันแล้วก็ผ่านปัจจุบันอาการต่างๆก็หมายถึงว่าต้องเพียรต่อไป ต้องเดินจงกลมแยบใครกับตัวเองแล้วก็เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนอย่างเมื่อวานนี้เขาลบในช่างเขาเรื่องหนึ่งก็ลองดูในช่างเขาทางานนะก็เรียกเข้ามาเนี่ยเห็ดถ่านเต็มไปหมดเลยเนะี่ยตรงนี้หัวหมุดนี่ยมันมีเหตุถ่านนายช่างเขาก็ทํางานอยู่จับเสียมจับเหลี่ยมปูนอยู่แต่เราเห็นนานช่างมาๆๆ ม, ม, ม, มีเหตุเนี่ย เขาก็มาแบบเหมือนกับว่าใจก็อยากทํางานอาจารย์เรียกเกงใจเจแล้วเข้ามาเขผมกําลังจับเตรียมอยู่เลยผมกําลังทํางานอยู่เลยก็ไม่อยากเอาเห็ดเล ย, ยงไงเอามาเคารพกันนะพอเขพูดอย่างนี้ป้ามีความึมนี่ๆๆมีสมาธิจิตใจจดจอด่อถึงแม้ไม่ได้นั่งสร้างชั่ววัเดินโยงกลมนะแต่ใจของเขาเนี่ยมีสตินะมีสมาธิใน ก, การทํางานนะ นึงเดียวเลยอารมณ์ของเขาเนี่ยผมกําลังหาเหตุอยู่ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นผมกําลังทํางานอยู่อาจารย์มันมันทำงานอยู่ภาษาเขาใช้กาคารเขใจเขายังอยู่ที่งานอยู่แหละอย่างนีน้แล้วก็เรียกว่าการทํางานในการปฏิบัติธรรมก็ได้นะแต่ว่าเขาจะยังไม่รู้อะนะคือการปฏิบัติธรรมแต่เรารู้แล้วอ๋อจิตของเขาเป็นสมาธิ ตั้งมันอยู่การทํางานแน่วแน่มันคงแต่เขาก็เออออหอหมกไปเพราะว่าอาจารย์สั่งอาจารย์บอกมีความเคารพนะไอ้ที่เคารพก็เพราะว่ามาอยู่ที่นี่เห็นว่าเป็นพระเห็นว่าเอ อ, เ อ, อใจตัง้งอะไรพวกนะี้เขาก็มีหลายๆอย่างตอาเราเห็นภไยในจิตใจของเราด้วยว่าเราทําอะไรอยู่ชัดเจน กนานั่งขณะนั่งขณะเดินขณะยืนขณะ น, นอนกายเคลื่อนไวหวใจรู้กายทำอะไรใจก็ทําด้วยกันเนี่ยตัวนี้นักกรรมาฐานเป็นมืออาชีพก็มืออาชีพคือไม่ปล่อยและ อ, อย่างก็คือเวลาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทุกทุกอารมณ์นั้นที่มันเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทําคือหนึ่งเดียวเราดูกายดูนาดูจิตดูธรรมมันก็ออยู่ดูที่กายเป็นความรู้สึกตัว ตัวอื่นๆสัตว์สั้น ส, ส, าาสิงยุงชุม่มหรือว่าบางทีมีเสียงดังช่างก็ทํางานตัดกระเบื้องตัดเหล็กตัดตอกตโะโพว์พวนี้ตัดไม้เสียงมันดังแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีรถก็ผ่านไปผ่านมาที่็สัตว์สั้นสิงต่างๆเราก็ได้ยินเสียงขธรรมชาติภายในใจเราก็คือความเป็นปกตินะ มันจะแสดงออกมาบางทีก็มีคมุณธรรมก็ต่างๆวางเฉยไม่แสดงออกมาความอดทนก็แสดงออกมาแล้วก็อ่านทีละตัวทีละตัวทีละตัวเลย อ, อันนี้มันเป็นลนักษณะของเวก้าทำอัน น, น, นาาลลี้เป็นอาการของการระลึกรู้อาการของสติอันนี้เป็นการตั้งมั่นจิตตั้งมั่นปกติอยู่เป็นสมาธิอันนี้เป็นลนักษณะของปัญญาทํางานมันหลงแล้วก็รู้ได้นะ ไปทางหัวกลับมาหาความรู้สึกที่ฐานกายอย่างนี้นะมันหลงไปทางหัวกลับมารู้ที่ฐานของสติอย่างนี้มันออกไปทางหูทางตาแล้วกลับมาแล้วก็เป็นการกลับมาเพราะว่าเราใช้กรรมฐานอยู่กรรมฐานที่เราผลิตยอยู่คือการเคลื่อนการไหวเรื่องอ่อนนี้คือความเป็นเองที่สติทํางานฐานสติมันอยู่เป็นปกติ อยกับฐานสติจนกระทั่งมันเป็นนิสัยยังไงนะแต่ว่ามันมีอาการพิย า, ยาอาการทางจิตที่แสดงออกมาผิดปกติเราได้อ่านมันดังทีเป็นความรู้สึกตัวจักหยาบกลางแลว้วไปหาละเอียดตงนีมันจะเกิดขึ้นมาให้นักปรญทานได้มั่นอกมั่นใจในสภาวะธรรมในสภาพธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนความโกรธในตัวเรามันรอวันที่จะแสดงออกมา ความโรคมันอยู่ในตัวเราก็รอวันที่จะแสดงออกมาตอนใดตอนหนึ่งมันจะแสดงออกมาห า, าักะปฏิกะบเนี้ยมันก็รอนะมีจริตนิสัยวินิสัยสันดานอย่างไรบทีเราก็ไม่รู้เหมือนก็เรารู้สึกตัวจนกระทั่งมันกบดานไปเลยโดยเพราะความคิดเน่ยนะพอเราเฝ้าดูทั้งวันจะกบดานเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวนะใหม่ๆมันจะเก็บกดแล้วกบดานไปเลยนะ เพราะว่าเราไม่อยากคิดเรากลัวความคิดผมเลือดธรมาเคยปฏิบัติใหม่ๆ ใ, ในกลัวความคิดมากๆช่วงที่ครูบาอาจารย์เขาบอกความคิดทำใท้เกิดความทุกข์ความคิดนําทําให้เกิดพบเกิดชาติมันกลัวทำไ ม, มถึงกลัวก็เพราะว่าเราคิดมากเป็นคนที่คิดมากทำงานทําการเขาใช้ความคิดเราถ้าคิดซ้ําๆกับคนอื่นทํามาหากินแต่ว่าไม่รุ่งไปเรียนแบบเข า, าหากินไม่รุ่ง มันจะต้องหางานใหม่ๆ ห, หางานใหม่ๆที่คนอื่นไม่ทํามาตลอดเวล า, วลานะมันถึงจะได้ตังมาอย่างเงี้ยไปได้ตัวนั้นเป็นตัวคิดนะที่มันจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาทางการศึกษาว่าใครคิดมากๆจินตนาการดีเป็นเด็กฉลาดก็มองอย่างนั้นกันนะจะเรียนแบบโฮมสครูหรือจะเรียนแบบสถาบันต่างๆระดับอนุบาลปถม ม, มัธยมอุดมศึกษาอย่นะางเงี้ยมหาอะไรที่ทุกคนให้การยอมรับหรือว่า จบมาแล้วก็มีงานทำทุกคนนเราก็รู้ว่าเออันนั้นคือการศึกษามันก็คิดนะหลายคนก็คิดการกินเกียรติทำไงจะได้ตามที่เราฝันไว้ทำไงถึงจะมีชีวิตได้มีความผาสุขได้ปัจจัย4 5, 6, 7, ี่ห้าหกเจ็ดปดนะมีความสะดวกวนี้เพราะฉะนั้นความคิด ม, มันมันซ่อนอยู่ความโลคมันก็คือความคิดนะ ความโกรธก็คือความคิดความหลงก็คือความคิดก็เรียกว่าโทสะจริตโมหจริตโลภจริตถูกไหมหรือว่าลาคะจริตหรือว่าวิตกจริตหรือว่าพุท ธ, ธิจริตต่างๆก็คือความคิดคิดดีขนาดไหนไปได้แค่พรหมตัวคิดเนี่ยนะจะคิดดีขนาดไหนมันก็ไปได้แค่ตัวปิติสุขจะพูดง่ายๆแล้วตัวปิติสุขเกิดจากตัวคิด มันเป็นลักษณะของความคิดการปลงนะอารมณ์มันปลงมันปลงแค่ดีดีที่สุดเนี่ยนะไปถึงความดีที่สุดนั่นก็คือความสุขที่เรียกว่าพรมหมเมื่อวานก็พูดถึงว่าพบโภมพรห ม, มนี่ก็เป็นพบเป็นโภมเหมือนกันนเช่นมีภาษาเรียกว่าอารูปภพมก็คือมันไม่มีรูปร่างของวัตถุให้เราได้สัมผัส มันจะมีตัณหามาทำด้านในเป็นความสุขที่เกิดขึ้นด้านในเพราะฉะนั้นการที่เราไปพักอยู่ความสุขระดับใดระดับหนึ่งเรียกว่าฌานฌานฌานพักชอช้างเป็นรูปธรรมแต่ ว, ว่าชอกระเชอนเป็นนามธรรมหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปพักกล่าวว่าถูรูปธรรมอันนี้ก็เป็นรูปปพรมนั่นเองก็หมายถึงว่าไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น ดูสัตว์สาลาสิ่งดูต้นไม้ใบหญ้าแต่งเมื่อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาไม่ได้เบียดเบียนใครสังคมก็ยอมรับนะอย่างนั้นนะแต่งบ้านแต่งช่องแต่งรถแต่งเรืออะไรพวกนี้ไม่ได้เบียดเบียนใครมันมีความสุขนั่งอยู่หน้ากระจกหวีผมเงี้ยมันมะีความสุขเห็นไหมอารมณ์แบบเนี้ยมันก็เริ่มต้นเดารูปนะเป็นพรหม ก็เมตตาต้นไม้กรุณาต่อต้นไม้เมตตาต่อต้นไม้วางเฉยกับต้นไม้ต่อศาสนาสิ่งต่างๆมันเป็นพรมก็จึงบอกว่าคิดดีขนาดไหนไปได้แค่พรหมพรมกันนุ่มนวลอ่อนโยนก็เหมือนกับพรมที่ปูบ้านน่ะนะตรงนี้หมายถึงว่าไปไหนก็มีพรหมออกหน้าออกตาชีวิตก็ปลอดภัยก็จึงบอกว่าคนที่มีความสุขจิตใจเป็นพรหมมีมเมตตาการุณาเมตตาเบกคา นอนหลับก็ไม่ฝันร้ายมันก็จริงก็ฝันแต่เรื่องดีๆเพราะคนมันคิดดีพูดดีทําดีช่วฝันร้ายไม่มีหรอกแต่คนคิดเรื่องร้ายมีโทสะมีโมหะมีโลภะมีแต่ความขึงเครียดปลุกกอดฝันก็ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็หมดเรี่ยวหมดแรงมันไม่เหมือนกับคนฝันดีฝันดีตื่นมาก็ขยันรู้สึกมีความสุขเห็นคนก็มองแต่แง่ดีเห็นงานการก็โดดใสหัวใจเป็นพรหมธรรมไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรอก เห็นด้วยหรือไม่พูดแบบนี้คิดดีขนาดไหนความคิดนีมันก็สร้างโลกของเราให้โลงงดงามจนเป็นคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีนิยมต่างๆขนธรรมเนียมเรียกว่าประเพณีที่เราทำบุญกันมาตั้งแต่เกิดนั่นะบุญก็คือความสุขที่ได้มาโดยชอบก็คือ เตรมจิตเตรียมใจของเราให้มันมีความสุขนะถ้ามันมีบุญมันก็มีความสุขถ้ามีบาปมันก็มีความทุกข์ดนะังนั้นเราจะเป็นพระมาลัยท่องโลกหรือเป็นอะไรรู้ว่าอะไรอะไรยังสงสัยอยูนะ่มันเป็นภาษาที่สอดคล้องกับอาการต่างๆที่เราปฏิบัติทั้งหมดตรงเนี้ทุกครั้งจะมีความรู้สึกตัวเราจะเห็นว่ามันถามไหมว่าอะไรอะไรนะความรู้สึกตัวอะไรสติอะไรสมาธิอะไรปัญญา เรื่องอาไลอาไลความดีความงามลูกผัวตัวเมียทรัพย์สินสลิมงคลต่างๆปฏิบัติไปก็คิดถึงบ้านปฏิบัติไปคิดถึงคนลักคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อาไลอยากทําดีกับพ่อกับแม่เพราะตอนที่อยู่ด้วยกันทําไม่ดีกับพ่อกับแม่ทําไม่ดีกับลูกกับหลานกับเพื่อนกับงานกับการกับสังคม ผิดศีนผิดธรรมหมดนะ่ะอันนี้จะเป็นอะอาลัยเป็นจิตสำนึกเกิดขึ้นมาเจอแล้วหรือว่ามันเป็นลักษณะมาลัยอันนี้จะดูงดงามมากทุกๆอารมณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือความงดงามของการไปฏิบธรรมที่จิตมันคืนสู่สภาวะปกติทุกๆอาการทุกๆอารมณ์เป็นความรู้สึกตัวมีค่าเท่ากันไม่เกี่ยวกับคิดสุขไม่เกี่ยวกับคิดทุกข์มันมีค่าเท่ากันก็คือความคิดนั่นเอง เมื่อเราออกจากความคิดสัมผัสความรู้สึกตัวเราก็รู้แล้วไอความคิดก็คืออาการของจิตจะมองดีก็ได้มองไม่ดีก็ได้ความคิดเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดิมมีหลากหลายในแง่มุมมององนี้เราได้เห็นมองดีมันก็ดีละคุณคุณคิดม่ดีคุณมองไม่ดีมันก็ไม่ดีคุณคิดไม่ดีอย่าง้นะพย่าคิดดีถ้าสังคมยอมรับกันอ๋อมันดี คิดไม่ดีอ๋อสองขบยอมแล้วก็นุ่มไม่ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือความคิดเป็นอาการไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีมันเป็นเพียงแค่สักตวว่าคิดก็สักตวว่าคิดอย่างนี้นะอันนี้มันจะเป็นลนักษณะของสติปัจฐานที่มันดอยู่เห็นอยู่เป็นความรู้สึกตัวเป็นความละเอียดของนมามธรรมที่มันปรากฏขึ้นมาตัวเนี้ยนะมันก็จึงเป็นอาการที่เราได้ฝึกได้หัดการเคลื่อนการไหวน จิตใจของเราเกิดความเป็นปกติขึ้นไหมเราก็ได้เห็นอาการต่างๆเป็นพบเป็นภูมิของจิตใจของเราะจิตมันสูงจิตมันต่ำจิตตกต่ำหมายถึงความกลัวเงนะเราสังเกตดูพอมันกลัวปวั๊บจิตมันจะมาแถวๆหน้าท้องนะมันต่ําจริงๆนะหรือว่าทําไมเขาเรียกกามราคะอาเป็นลณะของความเร็วมันยิ่งต่ํำลงไปอีก อ่งภาษาบาลีเราสวดกันยิติยีติฮีติตตอะไรพวกนี้ออกสำเนียงนาสิกนะอยู่ในจมูกของเราโพจมูกนะภาษาไทยหอหีบิบสลีงนะมันไม่ได้อ่านแบบที่เราเรียกกันว่าเป็นอวัยวะเพศไม่ใช่แต่มันกลายเป็นเรื่องของภาษานะที่มาจากคำบาลีและคำไทยก็เอาอมานะแล้วก็แปลไปว่าเลวต่ําสามเนะี้ยเป็นปุตโชเป็นของชาวบ้านเนะี่ย ปุถุชนของชาวบ้านของปุถุชนเนี่ยแต่ของเราความรู้สึกตัวเปนของอริยชนเนียมันก็จะเห็นแล้วออดจิตตกเวลากลัวอย่างเงี้ยกลัวจนปัสวะเล็บอย่างเงี้ยนะอ๋อนี่นกลไกการทํางานคิดและโกรธมีผลต่อไตมีผลต่อตับมีผลต่อหัวใจมีผลต่อม้ามสารพัดเลยความคิดของเรา คิดกรธเป็นผลต่อตับคิดกลวเป็นผลนนนาตา่อไตดีใจเป็นผลต่อหัวใจอบอันโยงนะเพราะฉะนั้นความเป็นปกติอย่างดีที่สุดร่านะงกายของเราผ่อนคลายปกติด้วยเราก็จะเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นะปอาการการเคลื่อนไหวทั้งหมดของกายของจิตหลวงพ่อเทียนยังพูดไว้เห็นกายเคลื่อนไหวตัวเห็นก็คือตัวสติปัฏฐา น, นนั่นนะนะเห็นใจคิดนึก ตัวเห็นก็คือตัวสติปัฏฐานนะมันก็ต้องเห็นกายขึ้นไว้เห็นใจคิดนะั่นแเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจากความคิดจริงแล้วก็อารมณ์ที่เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกรูปรดกลิ่นเสียงเรียกว่าอารมณ์อายะตนะภายนอกถ้าเป็นละกษณะตาหูจมูกลิ้นก็เรียกว่าอารมณยะนะภายในเป็นของร้อนมันเป็นของร้อนแต่ความรู้สึกตัวที่เกิดจากกายเนี่ยอันเนี้ย มันไม่ได้เป็นของร้อนหรือของเย็นถ้าทำให้ร้อนมันก็ร้อนถ้าทำให้เย็ น, นก็เย็นทำให้ร้อนหมายถึงอะไรเช่นเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วก็ยังไม่รู้สึกสัมผัสรู้แต่ยังไม่สัมผัสรู้อันนี้จะร้อนเดินอยู่กับที่กระทางก็จะเดินไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะเป็นที่เป็นทางในรูปแหวงก็จะยกไม่ได้มันจะต้องไปทาดีให้ถึงพร้อมก่อนลดฐานภาวนาแล้วก็ทดีให้ถึงพร้อม ท่ประเภทที่ว่าลถฐานทําดีถึงพร้อมทําดีก็ทําดีไม่เป็นนีอั น, นี้มก็จะหมายถึงว่ามันจะกรลงไปลักษณะของการทําบาปเรียกว่าทําชั่วกะว่าแดก็คืออันนี้จะเป็นลนักษณะของคนไปพูดไปคุยกันหรือว่าไปนอนหลับหรือว่าไปทําอะไรก็ตามที่คนอื่นไม่รู้เช่นเก็บรมเน่ยทุกคนก็อยู่กุฏิอยู่ศาลากัน เราไม่รู้ทําอะไรอยู่บางคนก็นั่งเล่นในเนเน่ไง น, นะนั่งเล่นโทรศัพท์เอามาเห็นพระอย่างเมื่อวานนะเห็นพระนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่อันนี้เอ า, าก็เข้าไปวอกเอ้าทัานตกลงท่านมาเก็บพารมณ์แล้วท่านเล่นโทรศัพทนะ์เลยนะไปอยู่ตรงกุฏิอาจารย์ระเทพเก่าไปดูมีวัสดุอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างจะบางสกุลมาใช้ก็เห็นพระนั่งยองๆนะนั่งเล่นโทรศัพท์อยูดูโอ้ก็เลยเข้าไปทัน ท่านกกมาก็บอารมา์นะท่านต้องรู้สึกตัวนะก็เตือนกันมันอดไม่ได้ที่ต้องเข้าไปเตือนมันใครควรทั้งสองสามครั้งจะบอกไม่บอกจะบอกไม่บอกก็เข้าไปเตือนเอาจิตใจอย่างน้อยๆก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าเมตตากันแล้วกันเห็นว่าอ๋อถ้าทําอย่างนี้ต่อไปก็กรรมฐานก็ไม่คลังหรอกแล้วก็กรรมฐานก็เป็นเพียงแค่ขอ้ออ้างเฉยๆว่าปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานเคยไหนได้ก็ใช้โอกาสนี้หลบ แสดงออกแบบโลกโลกเนี่ยนะเราก็เห็นละก็ชีน้นํากันที่นี้กเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกั น, เ, นเดินจ ง, จงกลมจนกระทั่งทางเดินมันมันแพลบเลยหรือว่าเป็นหลุมเป็นล่องลึกเลยนะยกมือไหวเลยนะถ้าทําอย่างนี้เนะี่ยจะแสดงว่าทำมาเจริญศา ส, สนาเจริญเนี่ยเนี่ยเมื่อนั้นการเก็บอารมณ์เข้มแล้วก็ขับรถผ่านมาเห็นญาติโยมนะทางนี้ทางกุูหลงกับโกมนะโอ้ แอบยกมือไหว้อยู่ในใจเดินจงกรมกันเฉยเลยโยมนะตั้งแต่เช้ายันมืดบางคนเนี่ยเดินจงกรมเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับเนี่ยมันก็เลยเห็นว่าเนี่ยตรงนี้แหละเราเคยทํำมาเคยปฏิบัติมาเคยทําแบบนี้แหละแล้วมันก็เข้าใจทำมาดีวันดีเกินอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นอาการของสติที่ปรากฏขึ้นมาเนะี่ยตรงนี้มันมันรู้นะ มันรู้ทุกคนนะนีใครที่ใบัติแล้วก็ใส่ใจแยบคายเมื่อจิตมันเป็นกลางนียมันแยกได้ว่า น, นี่คือความคิดนี่คือสัมผัสรู้นะตรงนี้แหละมันจะเป็นการสัมผัสทำเบื้องต้นเลยอาการอะไรเกิดขึ้นมันจะสัมผัสมันจะแยกได้ระหว่างอาการที่พาไปสุขอาการที่พาไปทุกข์แต่จิตของเรามันรู้สึกตัวเป็นปกติมันมีที่อยู่นะมันมีบ้านอยู่ตัวนี้เราเห็นว่าอาการเหล่านั้นทําอะไรไม่ได้ กรรมที่เคยทามาแล้วเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เมื่อก่อนคิดถึงความไม่ดีมันก็ใจไม่ดีคิดถึงความดีใจมันก็ฟูใจฟูใจมันพองมันลํำพองมันเห็นเลยโอ้อาการลํำพองไปงี้มันครับข้างในมันพองมันฟูแต่ว่าเป็นคุณธรรมที่เป็นความดีมันผลักให้เราเกิดความอาหารมันผลักทําให้เราเกิดความศรัทธาเชื่อมั่น ในการปฏิบัตินี้มันทําให้มันคงมีกําลังแล้วก็รู้สึกไม่เป็นคนโลเลเป็นคนที่มันคงมันก็เกิดไอ้ตัวลําพองตัวเนั้นใจมันพองมันฟูแต่ว่าความดีมันฟูหรือว่าความชั่วมันฟูตรงนั้นะเราได้เห็นออกเป็นความรู้สึกตัวมันเป็นตัวที่เกิดจากการคิดการปรุงเพราะฉะนั้นไปฏิบัติธรรมเราจะได้เจอนของดีๆในตัวเราที่เรียกว่ามาร ดูที่เรียกว่าเทวทูตนะการแก่การเจ็บการตายแล้วความทุกข์การพัดผ้าจากของรักของชอบใจพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเจริญสติแล้วสติเจริญเกิดปัญญาขึ้นมานะปัญญาจะเห็นความจริงเกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปตมันจะเกิดแน่นอนถ้าเราคนที่กลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองเป็นความรู้สึกตัวนะทุกๆอย่างเป็นอาการของกายของจิตเป็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรม ที่มีอาการต่างๆมากมายจึงนึกคําพูดของหลวงพ่อเขียนว่าเมื่อเรามีความรู้สึกตัวมีความเป็นปกติหรือเรียกว่าประตูใจตรงนี้นะภาษาหลวงพ่อบอกว่ามันจะมาเลียงแถวให้เราดูทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาเลียงแถวเดินผ่านให้เราได้อ่านให้เราได้เห็นตรงประตูใจนั่นเองก็คือความเป็นปกติเปรียบเหมือนกับจิตที่มันนิ่งนะ มันปกติมันนิ่งเป็นสมาธิเหมือนน้ําที่มันนิ่งเน่ยอะไรตกไปนิดเดียวมันก็รู้ได้มันก็เพิ่มะมันจะมีอาการก็เพิ่มสั่นสะเทือนภายในจิตใจของเราเป็นอาการนะเราก็รู้แล้วอันนี้มันคือจิตที่ไม่นิ่งแล้วก็สภาวะตัวนี้เราห้ามมันไม่ได้แต่เราอ่านมันออกอ่านมันออกก็คืออะไรคือธรรมะที่เป็นกุศลถือคือธรรมะที่เป็นอกุศลคือลักษณะของความเมตตากรุณาเมตตาแบกขาหรือว่า นะความอดทนขยันประหยัดซื่อสกตันยูอย่างี้เราจะเห็นเลยว่ามันคืออาการอะไรอ่านมันออกมาได้เลยแต่อันนี้จะเกิดจากความคิดของเราที่ไม่ได้แยกแยะโดยความคิดแต่มันเป็นการสัมผัสแล้วก็รู้ว่าสภาวะอาการเหล่านี้มันทําให้จิตใจของเราเนี้ยมันมีสภาพทําอย่างไรบ้างมันเกิดกําลังใจหรือว่าหมดกําลังใจ หรือว่าหมอแก่หน้าที่การงานหรือว่าไม่หมอแก่หน้าที่การงาน <c oughs> ก็คือมันจะรู้ลักษณะของฐานะอาถานะกาและเทศะมันจะรู้เลยขณะ น, นี้เวลานี้เราฝึกการเคลื่อนการไหวไมันจะรู้เลยเคลื่อนไหวให้ได้คําตอบมันจะรู้เลยว่ขณะนี้เราต้องทำหน้าที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมอย่างในตอนต้นของการบวชนี่เรารู้เลยต้อง เคารพกติกาอย่างเองครับเราสังเกตไหมว่าจิตของเรามันจะเคารพนะสถานที่อย่างเขร่งครในจุดเริ่มต้นเคารพครูบาอาจารย์บุคคลก็ในจุดเบื้องต้นที่เรายังไม่รู้ลักษณะนิสัยของครูบาอาจารย์หรือว่าลัณะของปฏิปทาของท่านนะเราแยกความเกรงใจอย่างมากถ้าท่านมีลษณะของสัมมาปฏิบัติดีนะมีปฏิปฏิปฏิทาลักษณะออของ การตั้งใจใส่ใจหรือว่าการปฏิบั ต, ต, บติตัวจะไปต้นจะไปปลาอย่างไรนะตรงนั้นนะมันจะเกิดความศรัทธาเริ่มใสอย่างมากหรือว่ามันจะตกตรงนั้นเลยศรัทธานะกับสถานที่เราจะเกรงใจสัก3ามสี่ฟันพอเรารุ้นแล้วชุมชนนี่ก็อยู่ยังไงเรารู้ทางก็เรียกว่าแก่วัดนะแก่วัดเราจะเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปความเกรงใจจะลดลงกับบุคคลก็จะลดลงกับสถานที่ก็จะลดลงกับวัดปฏิบัติก็จะลดลงพวกนี้เราจะรู้เลยศรัทธามากขึ้นหรือว่าตก เราได้เห็นมันเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติธรรมนีชัดๆแล้วเราก็อ่านคนอื่นออกคน อ, นคนอื่นก่นเราออกด้วยเราสณ่เนี่ยแต่ว่าเขาจะไม่บอกกันนะถ้าครูบาอาจารย์ท่านเหมือนกับว่าต้องการที่จะบอกท่านก็จะดำรีบอกแต่ถ้าท่านไม่ได้ต้องการดำรีบอกท่านก็จะเฉยๆไปเลยท่านก็จะปล่อยให้เรามีประสบการณ์สอนตนเองแล้อีกอย่างก็คือให้สังเกตว่า ถ้าหากว่าคนไหนอ่อนแอที่สุดขนาดนั้นมีปัญหาเรื่องจิตใจนะในพ่อหลวงพ่ออมเขียนเนี่ยนะท่านก็จะเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ท่านจะเข้าใกล้เพื่อได้เตรียมว่าให้ให้เราได้เดินมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นได้ชี้นําได้บอกตามเรื่อนงนิจัยของของครูบาอาจารย์ที่ท่านต้องการชี้นํำเรื่องภูมิจิตภูมิธรรมเรื่องกรรมฐานท่านก็จะบอกเราผมเรื่องอธรรมนะเคยเจอหลวงพ่ออมเขียน ท่านบอกเป็นภาษาเซนเข้าใจคาว่าภาษาเซนไหมหรือว่าบอกเป็นภาษาพูดเข้าใจว่ า, าภาษาเซนภาษาพูดไหมภาษาเซนก็คือภาษาที่ไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดก็นะได้ยินว่าหลวงพ่อเขียนท่านเ ค, เ, เคยถูกหลวงพ่อเตีย น, นยสอนมาแบบนี้เหมือนกันหรือว่าหลายคนเคยถูกหลวงพ่อเขียนสอนมาแบบนี้เหมือนกันะแบบเซนโดยไม่ได้ใช้คําพูด เชนจิตใจเป็นกลางกลางไงนะหลวงปู่เทียนก็สอนด้วยการเอาผ้ามาคุมหัวเอาผ้าเนี่ยมาคุมหัวแล้วก็เดินผ่านคนไปเลยหรือบางทีก็ถือรูปนะเนี่ยถือรูปอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้มาไว้เป็นรูปในหลวง่ไงนะแล้วก็เดินผ่านไปเลยท่านสอนว่าอะไรบางคนก็ไม่รู้ว่าท่านทําอะไรอยู่เงี้ย ดูหลวงพ่อเขียนนะ่ท่านสอนแบบเซนนะบางทีไปกราบท่านเนะียดูนะอาตมากราบท่านท่านทาอย่างเงี้ยท่านสอนแบบเซนอย่างเงี้ยท่านรับไหวนะแล้วท่านก็ทอย่างเงี้ยเราไหวครั้งที่หนึ่งไหวครั้งที่2ท่านก็ทำอย่างเงี้เองไหวครั้งที่3มท่านก็ทำอย่างเงี้ยหมาหความว่าไงขณะนั้นอามาก็ไม่รู้หมาหความวาไง แต่ท่านแสดงอาการที่ผิดปกติให้เราได้สัมผัสถ้าเราสัมผัสกับครูคอาจารย์ว่าครูอาจารย์กำลังแสดงออกไปในขนาเนี้ยนะอาการอย่างเงี้ยไม่ปกติเราจะต้องกลับมาสํารวจตัวเราท่านทำแล้วเราก็กลับมาดูตัวเราท่านพูดแล้วเราก็กลับมาดูตัวเราตอนนั้นก็พยายามคิดว่ามันอะไรเนาะอะไรเนาะท่านทำอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรปรากฏว่าสักครู่หนึ่งอาจารยก็เอาเมือไปจับที่ลูกตา แล้วก็เอาลูกตาออกมาปรากฏว่ามันมีขี้ตาเหลืองๆก้อนขนาดนิ้วก้อยเนี่ยวันนั้นมันแสบตามากๆเลยแล้วก็ตามันขับเอาขี้ตาออกมาแล้วก็เป็นสีเหลืองๆติดอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ท่านก็บอกเราว่าผิดปกติผิดปกติเราก็กลับมาดูตรงไหนเนาะผิดปกตินจนกระทั่งมาเห็นเนาะอ่อตรงนี้มันหน้ารังเกียจ บางทีกระดิ่งกระดาษที่ชู่น้มันติดที่ปากบ้างเราก็ไม่รู้ที่เข้าสุขติดที่ปากบ้างเราก็ไม่รู้แต่ครูอาจารย์ท่านเห็นอยู่อย่างนี้ท่านก็บอกเราบางทีเราเพ่งอยู่ครูบอาจารย์ก็บอกเราบางทีเราเผลออยู่ครูบอาจารย์ก็บอกเราเผลอเช่นเผลอคุยกันเนี่ยนะท่านจะบอกว่าลืมชาติลืมชาติตอนนี้เราลืมชาติชาติของเราก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัว เวลาเราพูดออกไปนอกเรื่องนะที่ไม่ใช่เรื่องที่อยู่กับปัจจุบันะท่านก็จะบอกว่าเริ่มชาติเริ่มชาติสมัยก่อนหรือบางทีนะท่านก็จะสอนแบบเซนนะโดยการสะพายบาดอย่างตอนนี้สอนเราแบบเซนหนึ่งล้นะเอาบาดไปตั้งอยู่ตรงลานหินโคง้งลูกเดียวท่านอยู่แบบง่ายๆสันโดษเอาเอาที่นั่งที่นอนมาตั้งอยู่ตรงนั้นง่ายๆ อยู่แบบให้เขาเรี้ยงง่ายแล้วอยู่แบบอยู่กับธรรมชาติเนี่เราก็ได้เห็นนะท่านแสดงให้ดูตลอดอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยเดินเดินเดินเดินท่านเหยียบรองเท้าเลยนะท่านไม่ได้บอกว่าเออทําไมต้องเหยียบแต่เรารู้แล้วเดินออกหน้าครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะต้องให้ครูบาอาจารย์ท่านออกหน้าก่อนให้ผู้ใหญ่เดินก่อนเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดแม้กระทั่งตอนนี้คําพูดเนี่ยออกมาเป็นลนัษณะของ รูปปั้นต่างๆนกอินทรีกินมแมลงหรือว่าคนนั่งอยู่บนเสือหรือว่าเกวียนตามรอยเท้าโครหรือว่าหมาเห่าช้างพวกนี้มันเป็นลนักษณะของการสอนก็นแบบเซนได้เลยพวกนี้หรือว่าประตูสุญญตาพวกนี้นะเราเข้ามาแล้วก็สัมผัสได้เลยหรือว่าต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมันเป็นลนักณะเซนคือเราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็สอนเราโดยไมใ่ใช้ภาษาคนพูดตรงนี้เราได้สัมผัสเรื่องราวแบบนี้ไหมขณะปฏิบัติธรรม ตาดูหูฟังพวกนี้ร่วมเป็นสัพท์ว่าเราก็หยิบมาใช้ประโยชน์ให้หมดเลยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเรากลับมาเรียกว่าปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่เผลอหลงไปนี่ยมันก็เป็นลรื่องของธรรมชาติที่จิตใจของเรามันเผลอหลงธรรมชาติมีตัวหลงแล้วก็มีตัวรู้ถ้าตัวหลงเรียกว่ า, ากุศลธรรมถ้าตัวรู้เรียกว่าอากุศลธรรมตรงนี้นะ อันนี้ก็เป็นการชี้บอกว่าขณะที่เราฝึกสติมีปัญญาอยู่แล้วล่ะทุกครั้งที่รู้สึกตัวถูกเป็นปัจจุบันแล้วมาค่อยๆพัฒนานะอะไรเป็นสติอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญาอะไรที่เป็นอาการต่างๆที่เป็นปัญหาแล้วก็ผ่านได้เป็นมารเป็นบารมีมันจะรู้เอาต่ออีกนิดหนึ่งเพื่อให้จบนะประเดี๋ยวเทศจบก็จะเดินทางไปสลับบรีไปปากช่องนะ อยู่ห้าวันไปพานวัรรมที่นั่นปฏิบัติธรรมปฏิเสธเข้ามาหนึ่งครั้งเพราะว่าเห็นว่าปีละครั้งสมควรแล้วตอนนี้นที่วัดป่าสุโธคนก็มาที่นี่อยู่แล้วเพราะฉะ <c oughs> นั้นการออกไปก็ออกไปน้อยแล้วก็การออกไปมีพาะผู้ใหญ่เปลี่ยนกาวประโยกนะ <c oughs> ่ะพาดังในสายงานของหลวงปู่เทียน ก, ก็พูดไว้ชัดว่า เวลาเราออกไปสอนที่อื่นเนะี่ยพวกนี้เป็นพวกไม่รู้จริงทําไมไม่รู้จริงของจริงน่ยของดีก็อยู่กับที่นะครพวกอย่างนี้ของจริงของดีไม่ไปไหนหรอกช้างเผือกอยู่ในป่าแล้วคนก็มาหาเนี่ยเหมือนกับเปิดร้านขายของแล้วมืออาชีพคนมาหาเข้าแกงอร่อยๆทาอาหารอร่อยๆอยู่ในป่าคนก็ไปกินอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่คนที่ไปหาแสวงหาไปหาอยู่หากิน ก็เลยไปหาลาบสการแไงไงนะ์แล้วอย่างเงี้ยนะเราก็มองมานานแล้วล่ะเราก็หยุดอยู่ยกับที่อย่างเนงะี้ยแต่ว่าการออกไปอันนี้ก็บอกว่าคนมันเยอะก็คอยกันมาก็อ่าไปไปไปไปจริงๆก็อยากเดินทางไปไหนละอยอยู่นิ่งๆถ้าจะเดินทางไปไม่ไดเดินทางออกไปสอนแต่เดินทางเพราะเหตุปัจจัยให้เดินทางเช่นก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยนะไม่อยู่แล้วก็บินบาดเดินไปเรื่อยๆท่องเที่ยวไปในโลกกว้างแล้วนกน้อยนะ บอกน้อยมีปีกก็เหมือนกับพระมีจีวรมีผ้าสามผืนมีบาตรุ่งก็ไปไหนก็ไปแต่ไม่ได้ไปสอนคนแต่ไปใช้ชีวิตเนะ่ยที่เหลืออยู่ให้คุ้มอย่างนี้มากกว่าถ้า <c oughs> ไม่ได้คิดว่าจะไปสอนใครอย่างไรถ้าจะสอนก็จะสอนตัวเองนี่แหละก็พูดอีกนิดที่ว่าจะสรุปก็คือในแบธรรมใหม่หรือเก่าก็ตามให้รับรู้ความรู้สึกตัวให้ชัดอันนี้ประเด็นแรกสองก็คือ ความคิดอันนี้รู้ทันให้ชัดแยกให้ได้แล้วความคิดเนี่ยมันจะเป็นมารที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายเช่นขันตมาร น, นะมันก็คือตัวจิตคิดอยู่ด้วยหรือว่าตัวรูปอาการของเรานี่ร่างกายของเราที่นั่งเดินยืนนอนอันนั้นเป็นมารขัดฝังแม่เราปฏิบัติต่อมาก็คือเรื่องของอภิสังขารมานอันนี้จิตลุนลเลยที่เป็นการปรุงแต่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็รวมถึงกายด้วยท่าตน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมที่ปรุงแต่ง ประชุมอยูนะ่ต่อมาก็คือมันแยกเป็นปุญญาที่สังขารก็คือเป็นอะไรของคิดเป็นบุญอันนี้เป็นความเมื่อสีขาวขนาดพิบัติจะไปยุ่งกัมันเลยคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องการเรื่องความดีที่เราจะทำหรือ แ, แก้ปัญหางานเก่าๆที่ยังตกค้างอยู่ในชีวิตเราที่มันยังทําไม่เสร็จสักทีหรือว่าวาดฝันยังไปไม่ถึงพวกนี้เป็นเรื่องของปุญญาที่สังขารคิดแบบดีๆเดี๋ยวมันได้พูดได้ทำํำต่อมาก็คือลักษณะของ มัจจุมาลมัจจุมาลก็คือกลัวทั้งหมดไม่ว่ากลัวอะไรก็ตามกลัวคนก right hey, ็ใช่กลัวครูบาอาจารย์ก็ใช่แร้วกลัวศัสตร์สาลาสิ่งรังเกียจพวกนี้ใช่หมดเลยกลัวความมืดกลัวการปฏิบัติธรรมพวกนี้เป็นของมัจจุมานก็คือโยงไปหากลัวตายกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวไข้กลัวไม่สบายอันนี้อันนี้เป็นของมานที่มาไปจนเรานี่ยประมาณคือเทวปุตตมานอันนี้คือความรักสบายต่างๆ สังเกตเธอนะเต็นที่แรกลงมาก็กลางมีแค่ผ้าใบอย่างเดียวต่อมาก็จะมีผ้าใบสองผืนต่อมามีผ้าใบมาบางังต่อมาจะมีร่มมากันไม่ก็จะกลายเป็นไข้าาราอพยพไปแล้วนะตอนนี้โดูดีๆมันก็คือของเทวพุทฏมานนะ่ะที่มันรักสบายมันจะขนได้นะ่ะในนี้นู่นเขามันมาให้มาแบบนี้ได้ไหมก็คือคนออก็ยิ่งเมาใหนะ้เราอย่าทำนักจิตใจเป็นพระมันมีกําลังเกิดมา คนเขาก็อยากทําดีนะก็เรียกว่าศีลนําสุขมาให้ศีลนำปุกะสมาให้ศีลนําความเย็นมาให้อาตมากุฏิลกลงลังแล้วก็คนรหิ้วมานะ่ะนะก็รอวันอายะสมัตาอายะสมัตาทําไม่จ่ายออกไม่จ่ายออกผ่านเนี่ยกุฏิไม่มีที่นอนแล้วนะไม่มีที่โยู่จริงๆทําไมคนก็ถึงมาเอามาให้เอามาให้เอามาให้รถ เ, เนี่ยอย่าว่าแค่หลวงพ่อกำเขียนน้ำมาให้เลยนะยอมตกมาถวายเลยนะ คนก็กรบอกอย่ามาให้ยัยตั้งเยอะแล้วปฏิเสธมาตั้งตั้งนานแล้วกุฏิก็เหมือนกันปฏิเสธมานานนานแล้วยายายยแต่ก็ห้าไม่อยู่ศรัทธาของคนมันเป็นอย่างนี้ไอท้ทีเราเห็นเห็นอยู่สร้างอะไรมากมายศรัทธาของคนเราก็เลยเออบุนะเป็นของความสามาัคคีของความคิดของคนหลายๆลายคนเอาเลยวัดมันเป็นของคนทุกคนเอาเลยอะไรดีอะไรงามเราเลยรับผิดชอบให้เลยนะ มันก็เลยเป็นเรื่องของว่าเราเห็นเลยว่าถ้าปฏิบัติหลายสิ่งหลายอย่างมันมาเองแต่เราไม่ได้อยากได้เราดูจิตของเราให้มันนิ่งให้มันปกติแล้วมีปัญญาดีๆเดีย๋ยวให้ต่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเนี่ยเป็นเรื่องของสมบัติผัดกันชมเรายิ่งให้ยิงได้น้ําไหลนิ่งนะสะอาดแต่น้ํำมนไหนที่ได้มาเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บไว้เดี๋ยวเน่าไหนเปียกแฉะนะไม่มีความสุขหรอก เพราะนั้นคำว่าอายะสมทานคือได้มาผ่านไปได้มาผ่านไปได้มาคนอย่างนี้จเจริญรุ่งเรืองนะมันจริงมันบุญแท้จริงที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นระนาของความรู้สึกตัวพิสูจน์นิดหนึ่งเราจะอยู่ในโลกได้อย่างอดหารแล้วกลายเป็นเรื่องที่ว่าอยู่ไปวันๆเหมือนกับ น, นกมันมีแค่ปีกเท่านั้นจริงๆแล้วนะบินไปไหนอิสระภาพแล้วมันก็ไปตามเห ต, ตุตบจใจมีความหนาวไปหาที่อุ่นของมัน มันไม่มีอาหารก็ไปหาอาหารของมันนะอย่างที่กุตเตเนี่ยมันมันมากันเป็นฝูงฝูงวันละสีหา้าครั้งมากินมาเขืออย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วอ๋อมันเดี๋ยวมันก็ไปตรงนั่นตรงนี้ตรงนูน้นเดี๋ยวก็หาน้ําอาบเดี๋ยวก็ อ, อไปหาเล่นหาหยอกหาล้อกันธรรมชาติของสัตว์กินขี้พี่นอนอะไรพวกนั้นนะเราก็ได้เห็นธรรมชาติโอ้มันมีให้เราได้เรียนอยู่ตลอดรอบๆอบตัว ทังในตัวเราทั้งนอกตัวเราก็จึงก็มาเป็นเลน่านาของบารมีให้หมดก็เต็มขาดสิ่งไหนหาสิ่งนั้นเติมแต่ว่าเติมเต็มด้วยความดีความชอบตำรีชอบคิดชอบได้มาโดยไม่ได้ลักเล็กขโมยน้อยพวกนี้เป็นเรื่องของความชอบตอบได้ควาคืออะไรบางทีนี่ตอนนี้ามาดูนะตรงนี้ของวางไว้นานแล้วยังมาวางนะไปเอาอิดบล็อกที่ลงแยกขยะมา เวลาสั่งชอบสั่งของเกินกันคิดไม่เป็นอย่างเงี้ยนะหรือว่าเอามาเผื่อดีฟขาดเพราะว่าที่นี่เนี่ยของหายากมากเวลาสั่งของมาขาดสักนิดนึงแล้วไปเอาเนี่โอ้มันช่างเขาห ง, งุดหงิดลำคาญเลยสั่งมาเยอะเลยเมื่อวันอีดบ็อกมาเหลืออยู่โปร่องอีดบ็อกโปร่งก้อนไม่ต่ำกว่าสิบบาทนะตอนเนี้ยนะมาเหลืออยู่เป็นร้อยก้อนกับพันกับบาท น, นะนะเอามาก็ดำํำรีใครควรแล้วใคควกล้ควรอีกก็จะว่าเราขโมยบอกว่ า, วาคิดเยอะ คงไม่เพราะว่ามดมันเข้าไปอยู่ศัสาราสิงเขไปอยู่งูเห่เกี้ยวขอตะขาบแมงป่องเอาเราวันนี้จะบังสกุลซะแล้วก็เลยค่อยๆหยิบไปยังไม่ได้บอกใครเลยเดี๋ยวว่าจะบอกอยู่อย่างเนี้ยเดีวบางทีมีเหล็กเศษเหล็กตนนัวน้ตามมาหาเก็บมาตรงไหนวางสงิมขุมกินนะมาเอามาต่อมาต่อกันอยู่เนี้ยตอนนี้จะทำไอ้นี่อยู่มีโยมเข้าเครื่องปั่นไฟฟ้ามาถวายทีแรกก็เอาเครื่อง พลังงานแสงอาทิตย์มาถวายอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ว่าวิศวกรไฟฟ้านะที่ทํางานระดับสูงกว่า น, นี้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยตรงนะเขามาดูแล้วก็เห็นว่าที่นี่ควรใช้ระบบปั่นที่เป็นแก๊สก็เลยมองว่าเออดีเอามาไว้ที่หลังป้ายนะจะเอาแบบหลังป้ายนะเป็นที่วางเครื่องปั่นไฟฟ้าการที่รถเข้ารถออกส่งพลังงานตรงนี้มันใกล้หรือว่าต่อไปอาจจะหมัก ขี้นะเพื่อง่ายหรือว่าเอาใบไม้มาหมักทำเป็นแก๊สใช้ก็ได้ระบบพวกนี้มันมีอยู่รองรับได้พลังงานพึ่งตัวเองนะแล้วพอไฟดับปับนะ๊บเนี่ยต่อเชื่อมไฟดับปั๊บหนึ่ง6 7งสามี่ห้าหเจปสิไฟติดทันทีเครื่องยนต์ทำงานทันทีนะก็มองตรงนี้เหมาะไม่ใกล้ไม่ไกลนะแล้วก็การบริการการดูแลเนะี่ยซ่อมง่ายแล้วก็เสียงไม่รบกวนอยู่หลังป้ายแล้วก็ใช้ป้ายให้เกิดประโยชน์ ไม่ทำอะไรสร้างลงใหม่หมดราคาเอา่อหมดเงินหมดทองไหลตังเราจะเก็บเอาสังกษีเก่าๆ เ, เ, เตรียมล้างเอาไว้มามงตรงนี้อย่างเงียนะอันนี้ก็เรียกว่าเรามองว่าอะไรเกิดประโยชน์ประโยชน์สูงประหยัดสุดแล้วก็ทํางานหน้าที่อวกนี้นีน่ก็เกี่ยวข้องแบบนี้ทําไว้เพื่ออะไรก็ทําให้ให้โยมันได้มาใช้เพราะว่าญาติโยมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยทางเดินจงกรมมาทําไวท้ทีแรกคนก็ค้านนะหาว่าทําอะไรไม่เหมือนเจ้าบ้านเขา ตอนนี้คนเดินชื่นใจมากเลยมันเป็นความรู้สึกอนี้แหละก็คือห้องเรียนกรรมาฐานจะเรียกว่าชั้นอนุบาลก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะการที่เราได้ใช้พื้นที่สถานที่แล้วก็สามารถให้คนมาเป็นร้อยและปฏิบัติได้อย่างสงบกระเจงว่ามีความสําเร็จเรียกว่าสถาบันสติปัฏฐานวัดป่าสุขโตที่ใครมาก็รู้แล้วว่ากินไออย่างนี้มันคืออะไรควรทําตัวยังไงเป็นต้น ก็เรียกว่าให้คนหมู่มากได้เกิดประโยชน์นะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราได้ประโยชน์แต่คนเดียวไปให่อย่างเงี้ยนะอ่าก็รับผิดชอบไว้อย่างนั้นนะแต่ว่าก็เห็นว่ามันไม่ดีจริงๆก็ดำเนวว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างที่พ่อเคยพูดว่าเมื่อที่นี่ไม่ให้สอนไม่ให้บอกก็สะพายบาตรที่ไหนอยู่ได้ก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เป็นอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นในไทยสุดนี้ก็ขอให้นะ การนั่งการเดินการยืนการนอนการมีชีวิตการได้ชีวิตมาได้กายได้ใจมาเราก็ได้ใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในการที่จะฝึกหัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดชีวิตของวันนี้แล้วก็วันหน้าต่อไปการใช้ชีวิตใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจมีความสะดวกมีความรอบรื่นก็ขอให้ การความการทำความดีของเราทั้งหลายนั้นและการประพฤติพรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ก็ขอให้เราได้พบเจอโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนั้นเถิ